เราจะพึงแสดงธรรมะแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมะนี้ได้ฉับพลันครั้งนั้นแหละพระองค์ก็ดำริต่อไปว่าอาลาละดาบทกะรามโครนี้แลเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีธุลีคือกิเลสในจกักษุน้อยเป็นปกติมานานถ้ากระไรเราพึงแสดงธรรมแก่อาลาละดาบทกะรามโคดก่อน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 สมถะหรือวิปัสสนาก็ได้ท่านในสมัยนั้นก็เล็งถึงผู้ที่มีสมถะทั้งหลายผู้ที่มีจิตใจสงบจากบาปอากุโสลธรรมทั้งหลายด้วยปฐมฌานเป็นต้นอาะละละดาบทนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติควรแกการไปส่งเคราะห์พระองค์ก็เลยปรารบถึงว่าอาะละระดาบทกลามโคดเนี่ยสามารถที่จะรู้ทั่วถึงอริยสัจธรรมนี้ได้อย่างรวดเร็ว ที่นั้นเทพพญดาก็อันตรธานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาลาลดาบทกะลามโคดสิ้นชีวิตได้เจ็ดวันแล้วพระผู้เทเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบด้วยพระสัพพัญยุตยานว่าอาลาลดาบทกะลามโคดสิ้นชีพได้เจ็ดวันแล้วพระองค์จึงทรงดำริว่าอาราลดาบทกะลามโคดเป็นผู้เสื่อมใหญ่เสื่อมใหญ่ในเสื่อมขนาดไหนก็เสื่อมจากการบรรลุมรรคผลจึงอยู่ถึงจะได้อรูปปัจจัน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 แต่ทีนั้นเทพพ ย, ยดาก็อันตรธานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอุทกะกดาบทรามบุตรสิ้นชีวิตเสียเมื่อวานนี้เนี่ยนะมะวานเย็นเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบด้วยพระสัพพัญยุตยานว่าอุทกะกดาบทรามบุตรสิ้นชีวิตเสียเมื่อวานนี้แล้วพระองค์ก็เลยดำริว่าอุทกะกดาบทรามบุตรนี้เป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่ ถ้าเธอได้ฟังอริยสัจธรรมนี้จะพึงรู้ทั่วถึงคือสามารถที่จะปฏิบัติตรัสรู้อริยสัจได้อย่างฉับพลันแต่ก็เสื่อมแล้วพลาดโอกาสเพลาดโอกาสจริงๆน่าเสียดายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดำริว่าเราจะพึงแสดงธรรมะแก่ใครก่อนหนอใครจกรู้ทั่วถึงธรรมะนี้ได้ฉับพลันครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงดำริต่อไปว่า ภิกษุปัญจวคัคคีมีอุปการะแกเรามากได้บำรุงเราผู้ตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรอยู่ก็เป็นผู้มีอุปการะมากคอยถวายน้ำคอยปัดกวาดที่อยู่อาศัยเป็นต้นเนี่ยนะถ้ากระไรเราเพึงแสดงธรรมแกภิกษุปัญจวัคคีก่อนครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงนำเรตต่อไปว่าบัดนี้ภิกษุปัญจวัคคีนี้อยู่ที่ไหนหนอพระผู้มีพระภาคก็ทรงเห็นภิกษุปัญจวัคคีอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤุทายวัน เขตพระนครพารณสีด้วยที่พระจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์เนี่ยนะก็เห็นได้ด้วยตาทิพย์ว่ากําลังทําอะไรอยู่ที่ตายิสิ ป, ปตนะเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นตาที่พระริยเจ้าทั้งหลายท่านอยู่กันครั้งนั้นพระองค์ก็ประทับอยู่ณนะตําบลอุรุเวลาประเทศตามพุทธาภิรม์แล้วก็เสด็ จ, จาริกไปทางพระนครพารณสีก็คือประทับอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะพระองค์ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6ใช่ไหมวันเพ็ญเดือนห แล้วก็จากนั้นไปหาวันเพนเดือน8พระองค์ก็ประทับอยู่หลังจากที่ปลารบจะสงเคราะห์สัตว์เนี่ยนะประมาณสัปดาห์ที่7เนี่ยนะสัปดาห์ที่เจพระองค์ก็ปรารบว่าจะสอนใครทั้นพระองค์ก็พักอยู่ที่นั้นอีก10กว่าวันจนถึงวันอาสาฬห์ปุณมีก็คือวันเพนเดือน8พระองค์ก็เสด็จเดินทางไปพาราณสีครั้งนั้นพระองค์ก็เสด็จจาริกไปทางพระนครพาราณสีเนี่ยจาก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 เพราะว่าแถวต้นโพกับแม่น้ําขยานี่ไม่ห่างกันมากพระองค์ตรัสรู้ที่แม่น้ําเนรัญชาใช่ไหมก็แม่น้ําขยาก็ไม่ไกลาจากนั้นเท่าไหร่ครั้นแล้วอุปกะชีวกก็กราบทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนนะวุโสอินทรีย์ของท่านเนี่ยผ่องใส ย, ยิ่งนักกระว่าแรกตรัสรู้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าแรกตรัสรู้เนี่ยก็มีผิวพันธ์ผ่องใส ย, ยิ่งวันตรัสรู้ด้วยเนี่ยผิวพันธ์ผ่องใสผิดปกติวั้งนั้นเถอะ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 เพราะพระองค์เป็นพระอาหารหันต์ในโลกพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระอาหารหันต์ในโลกอาหารหันต์นี่แปลว่าผู้สมควรในโลกผู้หักสีกรรมแห่งสังสารจักรผู้ห่างไกลาจากบาปอากุศลธรรมทุกชนิดผู้ควรแก่ปัจจัย่ควรแก่การกราบการไหว้การลุกรับคู่ควรแก่การเชื่อเชิญควรทําอัญชลีกรรมสามีจิกรรมเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราเป็นาศ า, าสดาหาศาสดาอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ในบรรดาผู้สอนทั้งหลาย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 สภาพเหมือนห้วงน้ําลึกที่ใสแล้วก็เย็นสนิทฉันใดจิตใจของพระองค์ก็เย็นเพราะปราศจากราคะที่ทําให้เร่าร้อนอนะไม่ร้อนระอุ ด, ด้วยราคะไม่ร้อนระอุ ด, ด้วยโทสะแล้วก็ไม่ร้อนระอุหรืออบอ้าวด้วยอํานาจของโมหะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจเยือกเย็นเพราะดับสงบประงับดับความเศร้าหมองทั้งหมดได้หมดแล้ว บัดนี้เราจะไปในเมืองออไปเมืองในแคว้นตาสีเพื่อประกาศธรรมาจักให้เป็นไปเรียกว่าหมุนวงล้อแห่งอริยสัจจะทำให้เป็นไปเราจะตีกลองแห่งอมตะในโลกอันมืดมิดการตีกลองคืออริยมรรคเนี่ยนะเชื่อว่าเป็นกลองแห่งพระนิพพานคืออริยมรรคในโลกที่มืดมิดก็นามาคิดดูนะมันมืดขนาดไหนมืดถึงขนาดว่าสัมมาทิฏฐิที่จะเห็นอริยสัจก็ไม่มี สัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็ไม่มีก็ถือว่าเป็นโลกที่มืดเป็นโลกที่บอดเป็นโลกที่ปราศจากธรรมะจากสุเป็นโลกที่ไม่มีโสดาปติมัคสกธ า, ากรรมมัคอนากรรมมัคอะรหัตมัคเป็นโลกที่ไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นอริยสัจธรรมมั้นก็ต้องไปตีกลองเนี่ยนะตีกลองแห่งอมตะคือไปเปิดเผยอริยมัคเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้ธรรมะจากสุเพื่อให้สัตว์ทั้ง ห, หลายมีธรรมจากสุเห็นอริยสัจธรรม เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายามีธรรมจักสุได้สักเห็นอริยศัจด้วยสักกทาคามีมกักอนาคามีมักและอรหัตตมัตเป็นต้นพอพระองค์ตรัสตอบอุปการชีวกอย่างนี้แล้วอุปการชีวกก็บอกว่าดูก่อนอวุโสท่านปฏิญาณโดยประการใดท่านเป็นผู้ชนะหาที่สุดมิได้โดยประการนั้นโอ้ยเป็นอย่างที่ท่านพูดแต่แหละดูท่าแล้วเป็นอย่างที่ท่านพูดแต่แหละ พระองค์ก็ตรัสว่าบุคคลเหล่าใดถึงความสิ้นอาสวะแล้วแปล ว, ว่าผู้ที่เข้าถึงอรหัตผลเนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะเช่นเราผู้ชนะชนะอะไรบ้าชนะกิเลสมารมัจุมารเทวปุตตมารขันธมานเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์คือผู้ชนะดูก่อนอุปกาเราชนะทำอันเป็นบาปได้แล้วทําอันเป็นบาปคือราค่าเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็ชนะแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ชนะ ผู้ชนะมารทั้งห้าแล้วก็ชนะทำมันเป็นบาปเนี่ยแล้วผู้ชนะที่แท้จริงก็คือชนะจิตใจที่เป็นบาปชนะจิตที่เป็นอกุศลที่อยู่ในใจเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอุปการชีวกก็บอกว่าท่านเพึงเป็นผู้ชนะเถิดผู้มีอายุก็ขอให้ชนะนะครัมุทิตาด้วยอนุโมทนาด้วยขอให้ชนะต่อไปก้มศีรษะหรือว่าสัมศีรษะแล้วก็แยกทางออกไป แขกสันสิษฐนี่แปลว่าเห็นด้วยนะยอมรับเออเก่งๆใช้ได้ใช้ได้ไดแต่ถ้าผงกหัวนี่ไม่ไม่เอาด้วยนะ น, นะถ้าไทยนีถ่ถ้าสันหัวก็แปลว่าไม่เอาแต่ถ้าผงกหัวแปลว่ายอมรับเนี่ยนะนะก็ต้องดูว่าธรามเนียมไหนอีกที่หนึงกันนะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จจาริกโดยลําดับถึงปา่าสิศ ป, ปตนามฤุกขายวันแขวงเมืองพารณสีเสด็จเข้าไปทางสํานักพระปัญจวัคคี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 พระปัญจวัคคีเนี่ยเขาเชื่อว่าอย่างนั้นพอพระองค์เสด็จไปถึงนะพระปัญจวัคคีเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลแล้วก็ได้นัดหมายแก่กันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณะโคโดมนี่เป็นผู้มากมากมากๆไงก็ดูสิกลับมาฉันบำรุงสุขภาพสะอ้วนพีงดงามไปเลยเนี่ย mm hmm. บัดนี้คลายความเพียรเวียนมาเพื่อเป็นคนมากมากเนี่ยนะ เมื่อก่อนนี้ไม่สังสมวัตตะตอนนี้มาสังสมไขมันเป็นต้นก็ไม่เห็นด้วยแล้วที่จะต้องมาชันมาสวยความสุขแบบนี้ไม่เอาด้วยแล้วงันบัด น, นี้พระองค์กําลังเสด็จมาพวกเราไม่ต้องอภิวาสไม่ต้องกราบนะอภิวาสแปลว่าการกราบไม่ต้องกราบหรอกไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ปกตินี้ในฐานะสิทธิ์เนี่ยนะอาจารย์เดินมาเนี่ยต้องลุกยืนเนี่ยนะอันนี้โดยทำเนียมธรำเนียมทางอ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 ประทวงเข uh. าประทวงอาจารย์เหมนกันอาจารย์ละทางดํานเนินที่เรียกว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้พอที่จะทําให้พ้นทุกข์เนี่ยนะบัดนี้ไม่ทําแล้วประทวงแล้วไม่เอาด้วยแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จเข้าไปถึงพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์นั้นไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตนนะนะด้วยพุทธานุภาพนะด้วยบุญญานุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจเ้า pim. ด้วยมหากรุณาของพระพุทธเจ้าและด้วยเมตตาของ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 แต่ถ้าอยู่ข้างนอกมูบา่ก็จะถอดผ้าคลุมออกแล้วก็จะวางไว้บนบาก็ได้หรือวางไว้บนศีรษะก็มีสองอย่างวางไว้บนบากับวางไว้บนศีรษะแล้วก็สะพายบาตหรือว่าอุ้มบาตก็แล้วแต่รูปหนึ่งก็ไปรับบาตรับจีวรของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งก็ไปเตรียมปูอสัสนะเลยอีกรูปหนึ่งก็จัดหาน้ําล้างพระบาทอีกรูปหนึ่งก็จัดตั้งตั้งรองพระบาทเนี่ยนะก็ที่ที่ล้างเท้านะจะต้องมีตั้งที่รองเท้าเพราะไม่งั้นยิ่งล้างยิ่งเละนะ ถ้าใครเคยล้างเท้าในีถ้าลางกัดินน่ยนะยิ่งล้างยิ่งเละไม่ล้างมันก็ดีกว่ามั้นมันก็ต้องหาตั้งมาเป็นที่ล้างเท้ารูปหนึ่งก็นํากระเบื้องเช็ดเท้าเข้าไปถวายเนี่ยนะผ้าเช็ดเท้าอ่ะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะที่พระปัญจวัคคีย์จัดถวายละ้างพระบาทฝ่ายพระปัญจวัคคีย์ก็เรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยระบุพระนามว่าโคดมเนี่ยนะร ะ, ระบุพระนามเนีโคดมเรียกถึงโคดขนาดนี้ถือว่า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 แห่งการใช้คำโรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อและอย่าใช้คำว่าอาวุโสนะพูดด้วยเมตตานะถ้าเป็นปกติทั่วๆไปเนี่ยคนถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมดีจริงเนี่ยแล้วตัวเองเนี่ยอยู่ในฐานะครูบาอาจารย์เป็นต้นแล้วคนชั้นสิทธิ์เนี่ยมาเรียกว่าอาวุโสแล้วก็เรียกชื่อตรงๆด้วยนะหมายความว่าเขาบอกว่าคนที่เป็นพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะ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 บางทีก็จะใช้คําว่าพันเตยยศมาอะไรทั่วๆไปเท่านั้นเองเว้นไว้แต่มีกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องเอ่ยถึงแต่ปกติแล้วจะไม่เอ่ยถึงเพราะฉะนนั้นถ้าอย่างตรงนี้เนี่ยพระองค์มีเมตตา ม, มากะนะถึงเขาเอ่ยชื่อแบบนี้ถ้าเป็นคนที่มีกิเลสทั้งหลายก็ไม่สบายใจนีนะไม่สบายใจว่าทําไมดูหมิ่นเราขนาดนี้เนี่ยนะแล้วดูหมิ่นเราขนาดนี้เราไปสอนอะไรเขาแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่คือพระองค์เนี่ยทำกิจทุกอย่างด้วยปัญญาหมด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 คนทั้งห้าเนี่ยนะเรียกว่าปัญจวัคคีเนี่ยเชื่อมั่นในพระโพธิสัตว์มากถึงก็ อ, อกบวชตามเนี่ยนะพอได้ข่าวว่าพระโพธิสัตว์ออกบวชหคนเ่าเนี่ยทิ้งครอบครัวทันทีเลยถึงครอบครัวไม่ใช่ว่าไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรนะทิ้งครอบครัวทันทีเลยเพื่อติดตามว่าจะต้องบรรลุจากบุคคล น, นี้แน่นอนมีความเชื่อมั่นขนาดนี้นั้นพระองค์เนี่ยมีเมตานะว่า โปรงก็เลยห้ามมาเธออย่าเรียกตถาคตตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นเสด็จไปอย่างนั้นรู้ลักษณะที่ท่องแท้เป็นต้นเนี่ยนะอย่าเรียกเราอย่างนั้นดูก่อนพี่สุทั้งหลายเราตถาคตเป็นพระอรหรันเนี่ยนะอรหันก็คือไกลจากกิเลส ก, ากําจัดข้าศึกคือกิเลหสหักซีกรกำแห่งสังสาระจักไม่มีความลับแก่การทําบาปผู้ควรแก่ ก, การยกย่องสรรเสริญเราตรัสรู้อริยสัจธรรมโดยชอบโดยถูกต้องด้วย พระองค์เองแล้วนี่นะสัมมาสัมพุท ธ, ธะพวกเธอจงเงียโสดศักดับเราได้บรรลุอมะตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จะทาให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่ง